อันนี้ก็จบนะครับมิซามาเข้าว่างจบบอลดีบุนมันก็ถามปัญหาเป็นข้อแรกก่อนคราวนี้ จ, จบแล้ถามเป็นข้อแรกนะครับเอาข้ออันนี้แหละคนณดินเมื่อตะกี้นะถามว่านะครับดินแท้น่ะเป็นยังไงแล้วก็ดินไม่แท้มันเป็นยังไงเชิญบอกลักษณะของดินแท้ดินไม่แท้มาให้ด้วยครับอ่ะดินแท้มีกี่ย่าดินล้วนนะครับดินผสม แล้วก็กองดินใช่ไหมทีนี้ดินร่วนนี่เอาเอาดินประเภทไหนครับดินร้วนคือดินอะไรอดินทรายใช่ไหมดินเหนียวกับดินร่วนใช่ไหมครับสองอย่างที่ว่าดินร้วนคือดินเหนียวกับดินร่วนใช่ไมครับร่วนเลยมีแต่ดินพวกนี้นะอันนี้อย่างแรกครับปะทวีแท้และดินผสมเนี่เป็นยังไงนะครับดิปูดิายดินเมื่อครับผสมคือเป็นดินเหนียวและดินร่วนน่ะ แต่ว่ามีกัวซายกับเบื้องผสมนะครับกัวซายกับเบื้องผสมเท่าไหร่ครับถ้าต่อส่วนในสามครับในสามส่วนน่ะกับเบื้องมันมแค่ส่วนเดียวใช่ไหมกระเบื้องหินกัวซายนะแต่อีกสองส่วนเป็นดินอันนี้ชื่อว่าดินผสมมันก็ยังเป็นดินแท้ใช่ไหมครับขั้วดินมามากกว่า ถ้าเสมอการรวมผมว่าไม่ไม่แท้แล้วนะมันต้องมากกว่าสองเท่าขะครับแล้วก็อันหนึ่งกองดินที่เขาขุดออกมากองมาแล้วครับนี่จะเป็นดินแท้มอะไรกองกองดินแท้ต้องผ่านนผ่านอะครับมีฝนตกรดนสายใช่ไหมตกต ก, ตกไม่ตกตององก็มก <c oughs> องมเก่าเหมือนะเพรมัเก่าอืมครับต้องต้องตดต้องต้องมีฝนครับฝนรดนสายด้วยนะ ถ้ามันโดนฝนนะครับเป็นปีก็ไม่เป็นไรแ <c oughs> ย่เช่นดินเนี่ยข้าวกรองไว้นะในอะไรนะ้น่ะอาจจะเป็นโลงอะไรเขาะสะยามสมังคราวาอย่างดีและ จ, จะไปกรองไม่โดนน้าฝนเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่แท้สักทีนะครับพอขุดออกมาแล้วนี่นะมันต้องโดนฝนนะครับแล้ะยา่านยาร่วงไปสี่เดือนคือจะเป็นดินแท้งนะครับ <c oughs> และก็ต้องเป็นดิน ส่วนนี้ไม่แท้เป็นยังไงครับมแท้เนคือมีะเพื่อมีปวดมีาเยอะขราวมากข่าวข่าวในหนังสือเขียนว่าเรามีสองไม่ใช่ตอนแรกก็เขาพูดภาษ 3, 3าภาษามี่ละตอนเข า, ขาตอนแรกพูดเป็นสองก่อนมีดินชาตา่าดินแท้กับดินไม่แท้อันนี้ผมถามว่าดินแท้มีเท่าไหร่ ก็มีสามใช่ไหมชาติบัตสวินมีสามนี่ไหมครับมีสี่หนึ่สี่แล้วก็สองสองแล้วก็สองสามน่าจะกยู่ที่มูที่บางหระวันนั้ายกันครับเลมอันนี้นะแล้วก็ดินไม่แท้อีกแบบงนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีพวกกวนหินกับเบื้องอะไรทรายเยอะใช่ไหมครับอีกอย่างคือดินที่ถูกเผาแล้วครับดินที่ถูกเผาแล้วก็กลายเป็นดินที่ไม่แท้นะครับนี่นะ แล้วก็กองนี้ได้ขุดออกมาแล้วยังไม่โดนฝนอย่างนี้นะครับยังไม่แตกอันนี้ก็ทัวให้นะครับวัว่าผาที่นี้ต่อไปจะขึ้นวังใหม่นะครับโน้ตใหม่นะูจัดหาโน้ตะเปิดไปหนังสือบทสอบวิธีหน้าร้ <c oughs> อยเจ็ดสิบนะครับขึ้นวัไปยีตีวัดที่สองนะข้อสิบเ็ดนะครับ ต้องอาบัตดปาจิตตีในเพราะการทำลายภูตคาบต้นไม้ใบหญ้าที่ยังเป็นอยู่ถ้าเป็นหน่อที่ยังไม่แตกใบเขียวหรือเมล่นที่จะงอกได้ต้องอาบัตดทุกกฎถ้าเราในพระบาลีใช่ไหมเราก็จะสวดว่าภูตะคามาฟาตพยาตายตไปอีตีอย่างใช่ไหมครับเป็นอาบัดไปานจิในเพราะการฆ่าภูตคา พุทธคามคือต้นไม้ใบหญ้าที่มันยืนต้นได้แล้วนะครับต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นเป็นอยู่แล้วก็ยืนต้นได้แล้วนะอันนั้นชื่อว่าพุทธคามนะครับส่วนพิชชาคามก็คืออันที่เข้าออกมาจากพุกทธคามหนึทีนะจะเป็นหน่อเป็นน้นแม่เป็นกิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ก็ไปออกมาจากพุกทธคามหนึ่งทีนะแต่ว่ามันยังสามารถไปปลูกได้อีกนะครับเข้าที่ว่าแล้วเป็นพืชพันใช่ไหม ที่จะปลูกได้นนเป็นมเมล็ด ก, ก็ดีเป็นกิ่งเป็นหนอนะครับหรือว่าเป็นนู่กนะเนี่ยที่จะไปปลูกต่อได้ น, นะครับนี่จะเรียกว่าพิชาคารนะในสิขาบทนี้ต้องแบบไปที่ในพ่อ ก, กรารภาพพุท ธ, ธามใช่ไหยแต่ถ้ามีการภาพพิชาคารเจะต้องแบบทุ่งกบที่พวกมเมล็ดพวกหนอนที่ไปปลูกได้ น, น, ะนะพีชชาณเนี่ยที่บอกว่ า, าเป็นพิชาคาณคือแากเข้าเนี่ยมไม่แตกใบเขียวนะครับหรือเป็นมเมล็ดอะไรอยู่งี่นะ หรือแม่แต่มีหน่อขึ้นมาแต่ว่ามันแตกใบเขียวนี่มัเป็นพิชาคามเพราะฉะนั้นนะอ่ะเอาเช่นพวกผลไม้ร่างไม้เนยะถึงแม้ว่าโยมเขาจะเด็ดออกมาจากต้นแนละ้วใช่ไหมครับถ้าพาะไปเด็ดเองเนี่ยมันก็จะต้องไปไปดูในสุนขาผลนี้ใช่ไหมเพราะพระอุตคามใช่ไหมครับไปเด็ดผลไม้มันเองนะหรือแม้แต่ขณะนี้นะไปขย่าอมนะนะขย่าต้นไม้เพื่อให้ใบ เอาผลไม้หล่น ห, หรือว่าใบาแห้งนะครับใบเปลี่ยงเหลือมันหล่นนะไปขย่าเนี่ยพ่อดี้ก็ต้องกวาดดี้ก็ต้องกวาดใช่ไหมไปขย่อมันเลยตน้นทมเนี่ย <c oughs> มันจะได้ขวาดทีเดียวไปเลยใช่ไหมนั่นแหละก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะครับต้องบงังการถือว่าเป็นกนารพลาดดีต้นมันหอ่นเองธรรมชาตินะครับจะไปขย่อให้มันหล่นไม่ได้ไนีนะทีนี้แม้มันหลออกมาแล้วเป็นผลเป็นไรแล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้าว่าผละหรือเมล็ดนั้นนะมันจะสามารถไปปลูกขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็มาทํากับปีแยกทีนะะถ้าไม่ทํากับปีแยกก่อนเรามาขบมาฉันมาทําลายเมล็ดมันใช่ไหมหรือหนอนหรือว่าก้าที่มันจะปลูกขึ้ น, น่ก็จะต้องถูกกด <c oughs> เพราะว่าฆ่ากิจการ น, นะครับอย่างเช่นผลมะความจิ้มเมล็ดนะสาคัญอะที่เกิดขึ้นนะครับตัวเมล็ดเช่นผักบุ้งวันนี้นะใช้ยอดใช่ไหมครับอันนั้นก็ทงกับปีแยกที่มันจะเกิด น, นะครับ แล้วพวกหนอพวกขิงขาและพวกเนี้ยนะแล้วก็อะไรอีกหรือว่าเป็นกิ่ ง, งนี่นะครับต้นไม้มันเนี่ยก็ใช้ลําต้นตัวปลกอย่างเช่นต้นโพต้นมามันเนีเข้าไปปักชําได้เลยใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเลยใช่ไหมครับมันจะแตกล่าแตกอะไรขึ้นมานะในขณะที่ยังเป็นกิ่งครับเราก็ต้องมากรีดเสากี่ทีแม้แต่ไอ้ต้นไผ่เนี่ยเราตัดมาแล้วเนะี่ยถ้ามันยังมีอะไรนะ มันจะมีตาอยู่ที่มันกถ้ามีตาตรงนั้นได้ตรงข้อมันก็ยังปกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงเน้นไปกับกิยามาฟาร์มาแล้วนะเราได้เน้นกับพิยาซ้ำอีกทีนะครับมันเป็นบ้องมีสองสามบอ้องนะคับเอาไปทิ้งจะถึขึ้นขึ้นนะครับนั่นนะครับที่จะปกขึ้นทั้งหมดเลยนะสมทางกับพิญาซ้าอีก <c oughs> ทีทีนี้เรามาดูต้นบรรย่างนะครับว่ามาจากใครนะ พิสชาติอารวีพวกชอบกอาะท้าะนี่นูนถ้าเรื่องของพิสุชาติอาลวีโดยสมอช่าช่นะโดยสมัยนั้นเมื่อฟาดพระเจ้าป ร, ร, ร, ร, ระทัาอยู่ณอังคารวัจเจดีเขตรอารวีครั้งนั้นพวกพิสุชา ร, า ร, า ร, ร, รติอารวีทํานวกรรมตัดต้นม้าเองบ้างให้คนตัดบ้าน นวกรรมนวกรรมก่อสร้างเขาต้องใช้ต้นไม้ใช่ไหมหรือว่าเพี่ยวถางสถานที่แล้วแต่คเขาเขาเลยไปตัดต้นไม้หรือว่าใช้ตัดเลยแม้วิสูตชารักอารวีรูปหนึ่งก็ตัดต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้นั้นได้กล่าวคานี้กับวิสูจนั้นว่าท่านเจ้าข้าท่านประสงค์จะทําที่อยู่ของท่านโปรยานตัดต้นไม้เป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยขณะเข้ามาขอร้องเนี่ยนะ ถ้าสมัยนี้เราจะทำยังไงครับมีเท ม, มาได้ชําแฉะต้นไม้มันแล้วก็พูดอย่างนี้นะเราควรจะทิ้งมีอทิ้งขวานแล้วก็วิ่ ง, <ร>งมันก็ถูก ข, ข้าแดงก็อะไรใชครับอะไรนะออ๋อใน ไ, ไม่ไปแล้วนะนี่นะครับแต่ที่สื่อรูปนี้ท่านไม่ได้กลัวนะครับนี่นะที่สื่รูปนั้นไม่เชื่อฝันแล้วไม่ฟังคํานะ แต่ว่าในเอกสาท่านจะอธิบายว่าท่านยั้งมือไม่อยู่แล้วนะครับเหมือนก็ว่าเงือมจะฟันแล้วนะพอดีเทวดาอาจจะมาบอกช้าไปนะครับยั้งมือไม่อยู่แล้วท่านก็เลยฟันลงไปนะาไม่เชื่อฟังนะครับได้ตัดลงจนได้แล้ฟันถูกแขนทาลอบลูปของเทวดานั้นซึ่งเทวดาก็เป็นกายทิพย์นั่นเองยังโดนฟันได้นะครับถ้าไม่เห็นนะถ้าคิดท่านตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้อย่างเดียวนะครับ มีนาเทวดาออกมาใช่ไหมแต่ว่าลูกเทวดานะ่ะพิสุมองไม่เห็นเพราะ่าเขาเปิดกายทิพย์นะครับท่านก็นเลยตัดไปนะก็เลยไปโดนแขนนะครับลูกเทวดาเพราะว่าโดนแขนตรงใกล้ลำนะครับนะอันนี้เทวดาได้คิดเทีละก็โกรธอย่างมากเลยนะครับมาฟันโดนลูกเข้านะได้คิดขึ้นว่าถ้าะไรเราคุมปองชีวิตพิสุรูปนี้เสียหนะ้าที่นี้แหละนะครับนั่นคิดจะฆ่านะครับ และคิดต่อไปว่าก็การที่เราจะพึงลองชีวิตพิสูรรูปนี้เสียหน้าที่นี้นั้นไม่สมควรเลยถ้าะไรเราควรกลาวเรื่องนี้แดกมะพ่าเจ้าเก็เลยกล่าวใจนะไปกล่าวเรื่องเจ้าก่อนดีกว่าดังนั้นเทวดานั้นจึงเข้าไปครอมมะพ่าเจ้าแล้วปราบทุนเนื้อความนม้นมะพ่าเจ้าพระองค์ก็ตัด เ, เราพระองค์กทรงประทานสาทุกการว่าดีแล้วดีแล้วเทวดาดีนั่นหนะ ที่ท่านไม่ปร่งชิดพิสูรรูปนั้นถ้าท่านโปรองชิดพิสูรรูปนั้นในวันนี้ตัวท่านจะพึงได้รับบาปไปอันมากนะครับเพราะว่าค่าผ้าใช่ไหมผ้าพิสูจผู้ทรงศีลนะศึกษาปฏิบัติาตามทางในรลวงได้จ้างนะครับแล้วถ้ามาฆ่าผ้าเนี่ยโหบาปมากเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงผ้ า, าริยะนะบาปแน่นอนม้แต่ฆ่าผ้าเป็นบุรุษชนนะครับก็บาปมากเลยครับก็จะมากาธรรมดานะ ท่านก็มีคุณธรรมมากกว่านี่ครับเนี่ยพรอะองค์เลยตัดอย่างนี้อ่าพระองค์ตัดว่าไปเถอดเทวดาต้นไม้ในโอกาสนุ้นว่าแล้วผลิต ม, มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะครับในประเทศตะวันนะเพิ่มมีเทวดาเจ้าของวิมานะจุติไปนะครับต้นไม้นี่ก็เลยว่านะท่านจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้นั้นนะครับทีนี้ประชาชนก็พากันเร่งเข้าเตรียมพุทนานะว่า ฉนัยพรสมณะเชี่ยวาญปัสกิยบุตรจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้างให้กลุ่มต่างบ้างพะาระสมนะเชีษาญปัสกยาบุตรทั้งหลายย่อเบียดเบีอินทรีย์อย่างซึ่งมีชีว้ว่าเขายางข้าจะว่าตนมาม้ต น, น, ตนมไม้มีชีวิตนะครับเพราะจิงต้นไม้ไม่มีชีวิตจะเป็นรูปแบบชีวิตอินทรีย์นะที่ติน ซ, นะนซมีเทานะ่านั้นเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดมาจากกรรมนะครับรูปแบบชีวิตอินรียใช่ไหมไซเดียที่ทําใช่ไหมครับเป็นรูปที่เกิดมาจากกรรม เพราะงะั้นจะมีแก่พวสัตว์เท่านั้นแหละนะครับต้นไม้ไม่มีชีวิตชินซีที่เขาจะเริ่มเติบโตได้าาก็อาศัยแค่กูตุกับอาหารใช่ไหมครับความยังความร้อนส า, างต่างๆนะรูปนี้เกิดจากกุตุนะคะรับลูกเกี่ยวกุตุนะควเขากริ่มเติบโตได้แต่ว่าไม่มีจิตวิญ ญ, ญาณไม่มีชีวิตชินซีทเท่าที่เรื่องลูกประท้รนานานมาทำนะครับแต่นั้นไม่มีนะคราบเลไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่คนอินเดียสมัยก่อนเข้าใจผิดอย่างนี้ ก็เรื่นี้ไปถึงพูะเองนะครับพระเถองก็ประชุมสงฆทรงสบถามทรงติดเตรียมวิสูรานั้นแล้วก็บรรยาสิขาบทนี้ขึ้นมานะครับนี่สั้นๆอธิบายนะว่าพูทธคามพุทธคามือต้นไม้มบหญ้านะที่มันยืนต้นได้แล้วนะครับก็ได้แก่พืชห้าชนิดคือพืชที่เกิดจากเน่าพืชที่เกิดจากต้นพืชที่เกิดจากข้อพืชที่เกิดจากยอดพืชที่เกิดจากเล็ดพืชที่เกิดนะครับห้าอย่าง ทีน่าก็จะจที่บาเพื่อที่เกิดจากเงอกมีอะไรบ้างครับมีพวกขมิน้นขิงขา่าพวกนี้นะที่ใช้งอก น, นะครับนั่นแหละเป็นเป็นตัวไปโปลกนะครับขมินข้นขิงเนยว่าน้ําว่านเ ป, ป่าดมพิษข่าแปะเหีวหมูหรือแม้พืชอย่างอื่นนะที่มันงอกที่งอกนั่นแหละนะครับชื่อว่าพื่อเกิดจากเงอกแล้วเพื่อที่เกิดจา ก, กจงงต้องมีอะไรบ้างครับสามาอาลลัมต้นไปปักชาแล้วก็เกิดเลย มัสปะหลังมันสปะลังเข้าต้นไปปากเลยใช่ไหมครับมันสปะหลังครับวก็ข้อยมันมีเยอะมากข้อยเขคว่าเกิดจากข้อต้นโพนี่ต้นไางต้นะกอกรัแล้วก็ต้นต้นโพค่ะต้นโพนี่เหมือนกันนะไปปังขึ้นครับได้น้ำในดินทีต้นมะกอขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตนไอ้โอันนี้เเยกเกิดจากข้อมนต้งสายข้อนั้นนะ แล้วก็แม้แต่ต้นสะดาวนะใช่ไหมสะดาวนะครับแล้วต้นไม้หลายอย่างนะเคยมีสะดาวนะเขามาทําเป็นรั้วป่าไว้นะครับเพื่อมาทําเป็นรั้วบ้านอะ น, นะ ม, มันขึ้นนะครับขึ้นใะพอดนดฝ น, น, น, นได้อะไรใช่ไหมมันแตกยอดออกมาครับแตกยอดมาเลยเพื่อเช่าไม่ใช่ไหมไม่ใช่ใชชลหลายๆอย่างนะแต่ว่าไม่ใช่ปังแล้วก็เกิดเลยเนะ่มันต้องได้ได้นั่นนะ ได้น้ำน้มื่นนะครับอุตวอาหารแล้วเข้านะทีแกงยอดแตกอะไรขึ้นหลายหาอย่างนะครับอันนี้ชื่อว่าเกิดจากต้นเนะต้องบอกมีต้นโพต้นไซต้นดีตรีต้นมันเหลือต้นเต่าร้างต้นมะขิดอันนี้จะเป็นต้นนะหรือผู้อย่างอื่นที่เกิดจากต้นแหละต่อไปพืชที่เกิดจากข้อมันต้องใส่มีข้อมีตาตรงนั้นนะมันอีกจะขึ้นได้แก่อ้อยนะครับไม้ไผ่นี่ครับไม้อ้อย ไม้ออกเป็นยังผมยังไม่รู้จักไม่จัไม่ออกับไม้อ้อเนี่คล้ายๆไม้ไผ่เลยแต่ว่ามันจะลำเล็กกว่าเล็กกว่าเยอะเลยนะครับเออเกิดชายน้ำใช่รับครับเหมือนไม้ไผ่เลยอ๋อไม่ใช่เหมือนกับพวกอ้อยนะครับแต่ว่าไม่ดีมันขนาดอ้อยนะจะลำเล็กๆแล้วก็มีใบมีอะไรอรย่างนี้ครับแต่ว่ามันหวานมันหวานไหม ไม่หวานนะครับนี่ไม่หวนครับนี่แล้วมันมันมีอะไรน่ารูข้างในไหมครับมีป้องนะแล้วมีป้องนะมีป้องเหมือนกับอ้อยใช่ไหมครับก็เหมือนต้นไผ่ก็ไผ่เป็คล้ายๆต้นไผ่แต่ว่ามันจะอ่อนกว่าเยอะเพรามันเติบโตเล็กๆอ่อนครับอันนี้มันสูงครับเป็นกอนะ ข้าวลู่ตาลมอันนี้นะครับหรือว่าพืชอย่างอื่นที่เกิดมาจากข้อแล้วก็พืชที่เกิดจากยอดครับผักมุ่งกวางเลยยอดยอดอมากผักมุ้งหญ้านาเขาหญ้านาเกิดจกยอดเขาว่าเาหญานาครเนี่ยครับอันนีาเขาหญ้านาเนี่ยนะนี่ ม, ม, มันไม่ใช่ไงยอดใย่ไหมยอดอมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับก็ยช่หัวใช่ไหมไปปลูกก็ใช่ต้นจะเลี้งออกอ๋อหยุดยิ่ขาแก้วขาอืมครับผูกหญานะอ๋อขายหญ้านะงขุนหญ้นะาใช่ไหมครับแต่บางทีสมัย ก, ก, ก, ก่อนเขาไม่รู้ก็รู้ว่าเป็นหญตาเป็นมันจะพืชใช่ไหมเขาไปฟันไปอะไรออกสมัยนี้กลายเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าเล้ยงมาอะไรมาที่ต แล้วก็แมงลักนะครับแมงลักอันนี้เป็นต้นนะหรือพืชอย่างอื่นที่เกิดจากยอดนะครับมันแท้กไ็ได้อ๋อมันแท้กเกิดจากยอดใช่ไหมครับแล้วก็พืชที่เกิดจากเมล็ดนะครับว่านี้เยอะแยะมากมันมหาศาลนะมีพวกข้าวพวกถัว่วพวกงาอะไรนะครับชนิดพืชต่างๆในสารพันนะมะม่วงขนุนใช่ไหมครับผลไม้หลายอย่างเลยนะอันนี้นะครับที่เกิดจากเมล็ด ก็ม่ได้ทั้งนั้นนะม่ทังหเลยจีสงุจีนะครับเมพร้านี่เป็นละเม็ดมพร้าครับลูกเกิดมื่จากลูปเลยนะครับเพราว่าสองข้อาน evet. ้มาเล่นแหละนะเพราะว่ามันมีแค่ห้าอย่างหละมันต้องเข้าข้างในข้างหนึ่งน่กิเมาอจากก็ถึงข้อพายน้ำมาเล่นนะครับแต่ว่าข้อทั้งลูกนั่น่ไหที่มันแก่ๆแล้วไปวางไว้ตรงที่มันชื้นๆใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแตกยอดออกมา มันจะทิมขึ้นมาอะไรใช่ไหมทิมรูปขึมาอะไรนะครับข้างล่างก็ล่างมันจะใช้ไปนะข้างมันก็มันจทิมขึ้นมานะครับนี่นะอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นพุตคาอที่ปลูกเป็นต้นหนะ้ายืนต้นได้แล้วเป็นผุตาคาทีนี้เกี่ยวเรื่องเทวดามาเมื่อกี้ชี้ิบายไว้อีกหน่อยนะจริงๆครับถ้าบอกว่าพว้ลูกขา้าเทวดาเนี่ยเขาต้องรักษาลูกขธรรม เวลาต้นไม้ตัวเองถูกตัดแล้วนะต้องไม่โกงนะครับต้องม่เบียดเบียนทําร้ายคนอื่นนะเอาใหม่นะครับถ้ากกงผู้มาหรือเบียดทําร้ายคนที่มาตัดต้นไม้ตัวเองนะอันนี้ไม่ได้เลยจะเป็นโทษกับเขานะครับจะไปเข้าถึงที่ประชุมไม่ได้ถ้าบอกว่าได้ยินว่าในป่าหิมาพานต์จะมีการประชุมเทวดานะครับเนีย่ยพวเทวดาจะไปประชุมกันนะ ทุกๆวันปัน wow. ่ะครับเป็นสิบห้าเข้มนี้นะสิบสี่สิบห้าเข้มในป่าหิมะานั้นพระเทวดาย่อมถามถึงลูกคธรรมรุ่นกับเทวดาประชุมกันนะแต่เขาม so ีธริตที่มก็ไปรวมตัวกันง่ายๆบ้านเรียนะครับเขาก็จะถามลูกขธรรมว่าท่านตั้งอยู่หรือไม่ได้ตั้งอยู่ในลูกคธรรมชั่วลูกขธรรมก็ได้แก่การให้ลูกขเทวดาไม่ทําความพุสงร้ายทางใจนะครับก็คือไม่โกร่อยนะ ในเมื่อต้นไม้ถูกตัดนะครับไม่ธรรมดานะวิมานตัวเองถูกตัดไปอย่างนี้นะนะครับต้องไม่เกาะเลยเราต้องฝึกขันตีอะไรดีนะเนี่ยแล้วเป็นเทวดานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่นะแต่จะมีเทวดาที่เม่ตัง้งลูกกระทำก็ม <identify> ีนะครับว่าใครไปตัดไปทํำไปต้นไม้เข้าใช่ม่เด็งก็ทําร้ายคนถึงกับตายก็มีนะครับนี่นะอันนี้นะครับเทวดาเทวดาเหล่านั้นเทวดาองใดเนี่ย ที่แม่ตั้งในูกข่ามนะทเทวราอง น, นั้นนะครับย่อไม่ได้เพื่อจะเข้าที่ประชุมก็จะไม่ท่อที่ประชุมแล้วนะที น, นี้เทวราลงเมื่อกี้เนี่ยเขาแรงเห็นโทษของการแม่ตั้งในุกกข่ามแหละนะครับก็เลยอดกลั้งไม่ได้นะไม่ค่าพระนะครับและเรื่องถึงบุภาคจริยาพอมาพื่อในปางกอนของพระสมณสมดริเจ้ า, จานะตอนที่พระองค์สวยประชาติเป็นไรคันติวาทีดาบทเป็นต้นใช่ไหมครับ นี่ก็ยกตัวอย่างนึกพญาช้าฉันทันเป็นต้นนะที่ซอะไรเน่ะอ่อนทอดอกลั่นใช่ไหมรับต่อพระเทวทัตที่อะไรนะเป็นในทานบ้างเป็นพระราชาใจร้ายบ้างใช่ไหมเขาที่มาทําร้ายโอง์นะอืมครับด้วยกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่ตนเคยสดับมาจะเพาะพระพังมรรคพระเจ้านะครับเพราะนับเลืกถึงพระมศรัทามพระเจ้านะ ก็สามารถอุ้กลั้นนะครับทนความโกรธนั่นไม่ได้นะเคยไม่ฆ่าพระนะครับเคไปกราบถุนพุทธเจ้านะครับท่านบอกว่าอธิบายว่าเทวดานั้นเขาคิดอย่างงี้นะว่าพิสูจนนี้เป็นบุตรมีบิดาครัพุทธมภาพเจ้าได้ทรงสนาฌานจางของพิสูจนนี้แล้วจะทรงป้องกันมารยาจะทรงมัญญสิกขาบทแน่นอนเขาก็เลยไปกราบถุนพุทธเจ้านะครับทีนี้นะครับพุทธมภาพเจ้า คั้งตัดอย่างนี้แล้วเมื่อจะให้เทวดานั้นยินยอมพ่อได้ตะพระคาถานี้นะครับตัดกับเทวดานั้นนะว่าบุคคลใดและข่คมความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วได้เหมือนกับสารถีหยุดรอซึ่งกำลังแล่นอยู่ได้เราทถาก็เรีย บ, บุคคลนั้นว่าเป็นสารถีชนนอกจากนี้เป็นแต่คนถือบางเหียอย่างเี้ยนะถ้าสามารถนะครับ อะไรนะหยุดกําลังความโกรธแล้วไม่ได้นีครับเนี่ยพวกนี้ภาษาจรจริงความโกรธที่เกิดขึ้นมันแล่นไปนะอย่างเร็วเลยใ ค, ครโกรธไม่ท้อใครเวลาเขาพงษ์ามอาจารย์ถามคนถานปแปลโโกๆพวกนี้น <c> ค <oughs> แล้วก็เคยใช่ไหมยังไม่เคยมีเกิเลส น, นะครับ <c oughs> ยังไม่ใช่ผ่านอากามีล่างไม่ได้เราสังเกตดูเวลาความโกรธเกิดขึ้น่ะ ผมสังเกตใจเวยแน่นครัมันโกรธมาก ๆ, ๆนะครับมันปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเหมือนก็มีอะไรพุ่งขึ้นในใจเลยครับนักขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะจากตอนแรกใจกปกติใช่ไหมครับแล้วมันวุน ข, นขึ้นมาเลยนี่นคือว่าใจมันปลปวดเราะด้วยหน้ามัโทรสารครับเนี่ยเหมือนกับอะไรนั่นรถม้ารถอะไรที่มันกำลังวิ่งผู้ไปเร็วนะครับใครสามารถหยุดไม่ได้นะอันนี้นะครับก็ชื่อว่าสาธีจริง ก็อขอ่มความโกรธได้แล้วในเวลาจบพระกรถานธรมดานะครับได้ตั้งอยู่ในโซนดาวปฏิ พ, ปพันธ์รุ่นพระโสนดาบัตเมื่อพระเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมเทศานาแก่บริษัทผู้ประชุมการพร้อมแล้วจึงได้ทรงพาศพทรรพ์พักถ า, านี่อินคาถานะครับว่าภิสูในแลย่อมกำจัดซึ่งความโกรธที่เกิดขึ้นเหมือนหมอกำจัดพิษงูที่แล่นสร้สางไปแล้วด้วยโอรสทั้งหลายฉะนั้น พิสูนั้นย่อมละฝั่งนี้และฝั่งโน้นได้ <c oughs> ก็หมายถึงบรรลุพานิพพ า, านได้นะครับเหมือนงูลอกข้าวเก่าแก่ทิ้งไปฉะนะเนี่ยต้องพิสูจน์ที่ลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับพรุทธองค์ก็ได้ตรวจสอบดูนะทรงตรวจสถานที่อยู่ของเทวดาแล้วก็เห็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนะ หน้าที่โอกาสนู้นมีต้นไม้ว่าเอยู่พระองก็เลยบอกให้เทวดานะครับก็อยู่ตรงนั้นนะต้นไม้นะเขาบอกว่าได้ยินว่าต้นไม้นะั้นไม่ไม่มีในแควาอารบีมันอยู่นอกเมืองมีอยู่ภายในกำแพงเครื่องล้อมแห่งพระเฉดตะวันอยู่ในประเฉตะวันนะครับซึ่งมีเทวดาผู้เป็นเจ้าของไดอยู่ติดไปแล้วอันนี้ข้าไปนะข้าไปนะครับและั้นบอกว่าตั้งแต่นั้นมานะ เทวดานั้นได้ความคุ้มครองจากพระสมานศุภเจ้านะครับทีนี้มันมีคํามากล้ตัดต้งไม้ในวัดแล้วนะนะครับได้เป็นอุปถายิกานะครับผู้ท่าธอุปถายิกาเรียกว่าเป็นเทวดาผู้หญิงนะครับอันนี้และในะคราที่มีเทวะสมาคมนะเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ก็จะมากันเอยอะแยะใช่ไหมครับบางทีมาฟังธรรมนะเทวดาผู้มีศักย์น้อยก็ต้องถอยร่นไปนะถอยไปไเรื่อยๆนะครับเนี่ย จนถึงจดมหาสมุทรเลยก็มีถึงภูเขาเจักรวาล น, นะครับเพราะเทวดาพวกมันสั่งประชุมกันเยอะแต่ว่าเทวด า, าได้สิทธิพิเศษนะครับสามารถจะอยู่ในที่อยู่ของตนนั่นแหละแล้วก็นั่งประทามฟังพระธรรมเทศนาได้โดยที่ไม่ได้อถอยล่นไปนะครับอันนี้นะเทวดานั้นได้นั่งฟังปัญหาทั้งหมดแม้ที่พวกพิสูจน์ถามในปัตถุมยาและที่พวกเทวดาถามในมชิมายาบนวิมานนั้นนั่นแหละ แม้ท้าวมหาราชทั้งสี่มาสู่ที่บรรลุของพระพ่างเจ้าเมื่อจะไปก็เยี่ยมเทวดานั้นก่อนแล้วจึงไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาได้สิที่พิเศษเยอะนะครับเนี่ยบรุญพระโสดารบันไดการคิงขวั่งกับ ข, ข, ขุนเ จ, จ้าเจ้าเกยหน้า อ, อะไรพิเศษเยอะเลยอันนี้นะเกี่ยวกับต้นบุญให่นะครับต่อไปต่อไปมาดูคำทธ่มาในกำขาอะไรนะครับหน้าละหกสิบสี่ วัดที่สองนะครับภูตคกามวัตหนึ่งอธิบายภูตากามสศิขาบทเพิ่งสร้สางวินิชาในศิขาบทที่หนึ่งแห่งภูตากามาว่าต่อไปในคําว่าภูตากามปยาปตพยตายะนี้ชื่อว่าภูตาก เ, เป็นสภาพที่มีอยู่นะครับและได้มีแล้วขยายว่ากําลังงอกกาลังเติบโตและงอกมาแล้วเติบโตแล้วมองก็ต้นไม้ใบหญ้าหลายแหล่ คำว่าคาไมา้แปลว่ากอนะครับกองแห่งผู้นะพู้ตะคาเนี่ยกองแห่งผู้ใช่ไหมหรือกองคือผู้ชื่อว่าพูตะคาพู้ตะเนี่ยผู้ใช่ไหมคามากองก็แปลว่ากองแห่งผู้หรือกองคือผู้นะครับคำว่าผูตะคาไมาน่นี้เป็นชื่อเรียกกลุ่มพืชพันธุ์ที่จะงอกได้ที่เจริญเติบโตแล้วนะครับมีหญ้าเขียวสดและต้นไม้ตั้งต้นได้แล้วมีชีวิตเป็นต้น อ้าต้นไม้ใบหย้านะครับที่มันยืนต้ น, นได้ น, นันมีชีวิตเป็นไปนอยู่ยี่ไม่ตายอันนี้ชื่อว่าพุทธะภาวะแห่งการพร่าการพร่าเมื่การทำลายนะคมีการตัดการฟังการแทยเป็นต้นนะชื่อว่าปารตัดพยาตานะครับภาวะการพร่าขยายกวามว่าเป็นสภาพที่บุคคลเพึงใช้สอยได้ตามความชอบใจด้วยการตัดและการทุบเป็นต้นเนี่ย ทำนาโดยกลางอากาศจะตับจะทุบจะเผาะจะไปต้มจะกลั่จะเด่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอนี่คือหมายถลาคนั้นนในทีนี้พิสูจนต่อวบบ่าปาจิตติเพราะพลากคูตกามนั้นคาว่าคูตการมัมปตัพยาตานี้นัยยน้นเป็นสัตมีวินิมิตใช้ในอันเหยก็จบแล้วในเท่า น, นะครับเป็นไปาจิตตเออาสัตมีวิภาคผิดนะสัตมีภาคใช้ในอเห็นนะครับ อธิบายว่าเป็นปาจิตีเพราะเหตุแห่งการภาคภูตคาคืคอเพราะเหะตุภาคภูตคาด้วยการตัดเป็นต้ น, น, น, น, ตนดังนั้นพิสูจนบทำลายพืชที่ยังสด อ, อยู่ซึ่งเกิดในที่ใดที่หนึ่งมีดินน้ำและกำแพงพืชมางอย่างเกิดบนดินมันอย่างเกิดนนกนในน้นะครับอย่างก็ไปเกิดที่กำแพงก็มี อย่างน่นพวกตะคร่นะใช่ไหมมันกอดที่กําแพงนะที่จะไปขัดแมปลงอะอยงนี้ไม่ได้นะครับหรือว่ธธาผ้าปูตะค้างนั่นเลยที่สุดแม้กระทั่งหญ้าเล็กๆนะครับหรือมเมล็ดผักกาดอันนี้ไม่ใช่เมล็ดผักกาดนะเมล็ดผกกาดมันใช่ปุตนะค้กกาง ม, มันเป็นปีชักทางที่มันชอบเป็นเมล็ดไปปลูกได้นะอเพราว่าเมล็ดผักกาดในไม้ถึงสาหลายนะครับแล้วผมเขียนลูกศรให้นะขออนุญาตเป็นสาหลาย เมล็ดผักกาดและสาหร่ายแค่สาหลายเมล็ดผักกาดนะครับเป็นสาหลายชนิดหนึ่งนะคือสาหลายนะครับเลกๆนะครับมีประมาณเอมีประมาณขนาดเมล็ดผักกาดนะครับมีใบเล็กๆนะครับข้างบนนะแล้วก็มีรากข้างล่างเล็กๆนะครับอันนี้ชื่อว่าสาหลายเมล็ดผักกาดนี่ไม่ได้นะครับแม้ว่าต้นหญกจะเล็กขนาดนั้นสาหลายนี้ก็ยังไม่ได้ ด้วยการถอนการตัดและแทงเป็นต้นหรือใช้คนอื่งทําลายนะครับเนี่ยไปตัดเป็นฟันไปแทงไปละเองไม่ได้หรือใช้ถึงก็ไม่ได้นะครับเหมือนในนังกาบและในเรื่องของการขุดดินเขานธิบายคล้ายกันเลยเหมือนกับการขุดดินนั่นแหละพ่สูงน์น้ำต่อบาดปลาตีตีนะครับอย่างเช่นเน้นช่วยตัดหญ้าหน่อยหญ้าวุานี่ยาร่องลือเกินนี่ไม่ไหวแนละ้วอันนี้มันเป็นอาบัต น, นะครับ ใช้อย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้เจาะตรงสถานที่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนเนี่ยนะครับถ้าเน้นบอกอ้างที่ผมไปตาดยาตรงไหนไปกับปิญาย่างนั้นเนี่แล้วก็เปลี่ยนคำพูดนะครับเปลี่ยนคำพูดนะแต่ตอนที่ไม่ได้กำหนดสถานที่นะสามารถบอกว่าตัดได้เลยครับแต่อนี้ไปเจาะตรงที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเชียงวิ่งกับปิญาย่างนะครับเนี่ยมันก็เหมือนเสียการขุดดินเมื่อกี้นะครับข้อนี้ก็ต้องมีจิตนาเหมือนกันนะ มีเจตนาะจงใจนะครับรู้ทั้งรูนะ้แล้วก็ไปทํานะครับไปพราดแหละจีจะต้องอ้าบัตรถ้าไม่ไดเจตนาไม่ได้จงใจนะั้นไม่ต้องอ้าบัตรนะครับวันทีเราเดินไปใช่ไหมไปเหยียบย่ำหญ้าอะไรตายก็ไม่ต้องอ้าบัตรนะครับ <c oughs> อันนี้อธิบายน้อยนิดแค่นี้แล้วก็ดี่ต้องในนี้เสริมให้นะครันนี้น้อยนะอันแล้วก็อะไรนะอีกนะเกียรติ ไม่แต่เหตุนะครับเห็ุนี้ก็เด็ดไม่ได้นะแต่เห็น Akbar, เหุ น, be, นี้ัะแปลกหน่อยนะครับถ้าว่าถ้ามันยังเป็นลูกนะมันยังตูมอยู่นะครับอันนั้นเป็นภูตคาไปพลาดไปอะไรไม่ได้ซ้อบังกันนี่ภูตคาภูตคานะเอาว่าต้อบังกันนะครับเราจะเจอนะแต่ว่าถ้ามันบาแล้วนะครับถ้าหน้าไม่แปลกอ้อแปลกนะครับถ้าเห็นเป็นเอ่าเป็นดอกแล้วนะไม่ได้เป็นตูมเนี่ยอันนั้นถ้าได้นะครับ ไม่เป็นอาบาัตเป็นพลาจะไปหาเห็นเองเห็นเองจงจื้นะเข้ามาทำปัญญาเนี่ยก็สามารถที่ไปหาได้เองนะครับแต่อย่าไปทําให้ดินมันแตกมันเลยเสียหายก็แล้วกันนะเนียสามารถเป็นเด็ดแปลละเหตุมาได้เลยนะครับก็เด็กที่มาตรงๆนะหรือว่าตัดก็ได้ที่มาปาแล้วนะครับแต่ถ้ามันตูมันต้องอาบัติใช่ไหมได้อันนี้เกี่ยวกับเห็ุนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับที่ไป ถึงอร่อยใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตะไคร่น้ำถ้าเป็นตะไคร่น้ําที่อยู่ในหม้อน้ำหรืออยู่ในขวดข้างในนะตรงนั้นเราสามารถจะมาล้างมาทำลายได้เลยนะครับตรงนั้นไม่ต้องอาบัด น, นะท่านถือว่าเป็นอาโพหาเล็กนะครับมันเป็นตะไคร่น้ําในขวดในหมอน้อน้ําหมือนกันนะปิจุดไ ป, ปแล้วไปขัดอะไรได้เลยไม่ต้องอาบัด น, นะครับในขวดก็ไปขย่าวขวดออกทรายใสใช่ไห ม, ไ ม, มปัญหา แต่แรกเป็นตะไคร่นะ้ำที่มันเกาะ อ, อยู่ข้างนอกหมอ้อน้ํานะครับ <c oughs> อันนี้ถ้าใครอยู่บ้านนอกคลองน้ำในะสมัยก่อนเนะี่ะอาจจะเห็นภาพไม่ดีนะครับ <c oughs> เขาไม่มีตู้เย็นมนสมัยเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะมีหมอ้อน้ํามาตั้งไว้ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ํามันจะเย็นนะบางทีเขาก็เอาฟางมาพันอีกนะครับ <c oughs> และตรงข้างหมอ้อน้ํำนะ่ะบางทีมันมีดินเกาะ อ, อะไรเกาะใช่ไหมมันจะเป็นตะไคร่น้ําขึ้นเยอะเลยนะครับ เป็นตะไคร่นะ้ำสีเขียวนะแต่มันทีมันเริ่มเป็นต้นขึ้นมาอะไรก็มีนะครับนั่นแหละตะไคร่นะ้ำข้างนอกหม้อน้ํามันไม่ได้ต้าบับแต่ตะไคร่น้ำในข้างข้างในหม้อดได้ครับมันจะเป็นของเราประเภทของลราใช้นิ้นกันนะอย่างงี้นะครับนี่คำที่ว่าสมัยนี้อะไรไม่ได้พัฒนาอะไรยนะ <c oughs> แล้วคนก็ไม่จะกินแล้วน่าหม้อน้ําเย็นอย่างงั้นนะมันธรรมชาติเย็น สบายไม่เปลืองตัง ม, มาในสยามออกดินใช่ไหมครับข่าวครั บ, รบอ๋อเรี้กวาออกที่บ้าค่าาอยังอขายางเรียหมอนนะ้อน้ำอีกนะอันนี้นะครับเสร็จให้เลยนะต่อไปนะครับเหตุเกิดและประเภทอาบัตสิกขาบทนี้คุณพระเจ้าทรงประลบพิสุชาตเมืองอารวีในเมืองอารวี ทรงมีอยาเดียวแล้วเพเห็นเกิดการตัดต้นไม้นะครับเป็นสารติกะใช้ก็ต้องระบาดเหมือนกัน <c> พ <oughs> ืชอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพืชที่เกิดจากรากเกิดจากลาต้นเกิดจากข้อเกิดจากยอดหรือเกิดจากเมล็ดนะครับทูงแยกมาจากคูตะขาเนี่ยแต่มันยังปกขึ้นมันเป็นผีชคาเห็นไหมเป็นรากเป็นลนนำต้นเป็นข้อเป็นยอดเป็นเหง้านะไม่ได้นะั้น มีอยู่ในภาชนะนะครับออกมาเลยมาใส่ฐานไว้แล้วเตรียมเข็นไว้เตรียมเลื่ อ, ลอนล้ออย่างนะี้หรือสุดท้ายเป็นกองนะครับ <c oughs> แม้จะปลูกไว้นะครับแม้จะปลูกไว้บนแผ่นดินนะครับมีเพียงราก ง, งอกออกมานะหรือมีหน่อออกมานะครับมีใบม้วดออกมาได้เพียงหนึ่งคืบรากจะงอกก็ตามไม่งอกก็ตาม ตาเท่าที่นอนยังไม่เขียวเมื่อพิสุพราชต้องอาบัตทุกต้นนะครับอันนี้นะก็หมายควาว่าที่เรามันจากต้นแล้วใช่ไหมมันจะกลายพิจารามแทนท่านกําลังจะพี่บ๊าว่าพิจาามมันถึงไหนครับตอนที่จะออกมาลนะ่ะเป็นรากเป็นต้นเป็นข้อเป็นยอดไม่ เ, เมล่นนะตัวแนั้นพิจาราแน่นอนแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นพุตรขาเมื่อไหร่หนะครับถ้าบอกว่าแม้แต่เราไปปักดินแล้วนะ ใส่ไปในกระถางในดินไร้ แ, แต่นะครับมันมีรากงอกออกมามีรากหรือมีงอมีมีหน่อยงออกมานะครับหรือแม้แต่ว่ามีใบงอกออกมาได้หนึ่งคืบนะรากจะงอกไม่งอกเป็นประมาทนะครับตามใดที่หนอนว่าใบมันยังไม่เขียวนะมันก็ถือว่าเป็นพิชชาดูแต่เมื่อหนอ่หนอเอามนมใบเขียวพวบมันก็จะการภูตข่านะครับอันนี้ผมเห็นแยกในใบเก่านะ ถั่วเขียวเป็นต้นพ่มถั่วนะครับมีใบงอกขึ้นแล้วหีืใบเขียวงอกขึ้นเนี่ยก็กลารผูร้ธนาคารถ้ามันยีใบเขียวไม่งอกยังไม่เป็นเรานึกภาพ ถ, ถึงไอ้ถั่วงอกนะครับเป็นเป็นต้นใช่ไหมถั่วงอกนในข้าวถั่วอะไรผมะคะรับถั่วเหลืองถั่วเขียวใช่ไหมครับแล้วมันก็งอกออกมากเขาเรียกเปถั่วงอกถ้าใบนี้ไม่เขียวไม่เป็นนะครับมันมีแต่กลมๆใช่ไหม แล้วก็เหลือขัมขาบางทีขาเหมือนท่านนแล้วก็เหลืองนี่ไม่เป็นนะที่มันเขียวนะครับเนี่ยถูงเขียวแล้วก็ครับครับส่วกน่องผมเห็นเวลาเอาแบบที่เราแข็งๆเนี่ยครับครับมันต้องกระิ้นใช่ไหมอ๋อใช่น้องเป็นผอันนี้เป็นพิจารครับอันนี้ผูดูดคาแล้วเอาไผูกแล้วมันแขมากจะได้เก็ตัวได้ได้พี่กิกเ็ไปลองนะแล้วอยู่กุฏิกรรมฐานไปลองเลยครับ อ๋อครับั้นจริงเครับครับครับครมรู้กตทํางมันก็แกเอาสายมันก็ปักมันไปในสายขึ้นมันก็มาพอกมได้นครับแล้วมันปักเข้าไปป้าบว่าขึ้นครับอืครับอ๋อครับอันนี้ขึ้นนะครับอืมแล้วก็เข้าเปลืองนะครับมีหน่อเขียวสด ก็ใบสีเขียวนี่กา็าูตคาถ้าเป็นมะพร้าวพวกตาเนี่ยมันต้องม้วนกิบใบคลี่ออกแล้วนี่เป็นคูตคาพอมพะพร้าวนานแลกไปปลูกเนี่ยเอาลูกไปเพาะเห็นไ้มวางจะใกล้าน้ําครับแล้วระหว่างไอ้รากกับ น, นองไหยมันจะออกมาก่อนก็อต้องรากออกก่อน น, นองนองอองก่อนใช่ไหมครับแทงมาพูดเลยนะเหมือนกับเป็นเขาอะไรขึ้นมาเลยนะครับนั่นแหละ <OK> ก็ยังไม่เป็นไม่ไม่ใช่ล่าครับบางที่ออกมายังไมไ่ยังไม่เป็นนะจนนู่นนะครับใบม้วนเคลี้ออกมานะนะครับถึงว่ามีใบมันยังม้วนอยู่ยังไม่ได้คลี้ยไม่เป็นนะแล้วก็มีใบเคียออกมาอันนั้นถึงจะเริ่มเป็นพูตะคาร น, นะครับตอนแรกฟีช้าก็เป็นทุกกฎใช่ไหมเป็นพูตาะช้าเป็นฟันตีครับต่อไปนะครับอันนี้ ในเดียวกันพืชเป็นผูตตากและผี่ชักมีความสงสัยเยนี่ยมันเป็นผีชคะเกิดหรือไม่เกิดนี่นะ่สงสัยไปพลาดนะครับก็ต้องอาบัตรทุกโกนะครับเหมือนกันคือถ้ารู้ทั้งรู้ถ้าเป็นผูตตากใช่ไหมคุณรู้ทั้งรู้ไปทำมันนะต้องบอัตรไปดีอันนี้ไม่ใช่ติการนะครับเอาผู้ตากก่อนถ้ารู้ทั้งรู้ต้องบอัตรไปดีถ้าสงสยัยต้องบัตรทุกโกะ ถ้าสําคัญถือว่าไม่ใช่ปูตตะคามปูกไม่ขึ้นมันตายแล้วเงี้ยแต่วันรีงมันยังเป็นอยู่ยัง<ม>ต้องอะไรครับทุกคนเกิดทุกคนเหมืมอนกันไม่ต้องอัม บ, บัตเลยนะครับ<ม>อันนี้ต้องมีจิตนาและว้อเข้าใจถูกด้วยนะครับมันตื้นบางนะครับอันนี้ต้นไม้จะเป็นๆนะครับ<ม>แต่เราเข้าใจว่ามันตายไปแล้วนะมันไม่ใช่ปูตตะคามและเข้าใจผิดอย่างเงี้นะครับ แม้จะไปพลาดก็ไม่ต้องอำบักนะครับนี่นะต้องรู้ทั้งรู้นะครับถ้าสงสัยโดนหมดเลยอันนี้นะครับแล้วถ้าผีชะครามก็รู้ก็ดีสงสัยก็ดีต้องทุกกฎไม่ใช่ผู้ตะครามและผิชะครามไม่ใช่เลยนะแต่ที่สำคัญผิดว่าเป็นผุ้ตคามหรือผีชะครามหรือมีความสงสัยอันนี้ก็ยังต้องอำบากทุกกฎนี่ไม่ได้ท่าเรียนไม่ใช่เอ๊มันเกิดไม่เกิดเนี่ยมันอยู่ในทานะครับ ก้านน่ะที่เกี่ยวมันลขึ้นอ๋อครับไม่ต้องขึ้นยยง่รครับคิดว่าต้องกลับปี่าตลอดแน่เลยลต้นไม่ว่าจะเแต่ก้านนี่ยาวนนี้เป็นเครื่องงี้ครับปากใสก็ขึ้นครับไม่ต้องปากโยนไว้ตรงน้นชเจ็บอ๋อครับเหยียบผใบะรับท่านจยพูดถึงเรื่องเกี่ยวเรื่องขิงนะเรื่องขิง ขิงนะครับอันน็นอยกางนะหรือว่าขมินไอ้พวกนี้นะเอาว่าขิงขมีขมินแหละนะครับตอนนี่เราออกมาจากต้นเรียบร้อยให้เน่งกับปีญ่าเรียบร้อยเราเพิ่มภูตะครามแล้วเพิ่มปีญ่าครามแล้วเอาขมินก็นแล้วกันเรามาทิ้งไว้นะครับพวกนี้ไม่ตายได้ง่ายหรอกใช่ไหมมาอยู่ด้นาถ้าถ้ามันชื้นๆหน่อยอยู่ด้วยน้นเลยนะครับอันนั้นเราก็ไม่ต้องกับปีญ่าซ้ำซ้ำอีกแต่เมื่อใดนะครับหนอมมันงอกออกมา ถ้า น, นองงอกออกมาก็อย่าไปตัดหนอกตัดเอาข้างล่างได้นะครับแต่ถ้าหนองหนอไม่ ง, canvas, งอกงอกแต่ล่างข้างล่างเราก็อย่าไปตัตดตรงข้างล่างที่เป็นล่างตัดข้างบนถ้าเราจะไปใช้นะได้นะครับแต่ถ้ามั น, น, อนงอกถ้างบนข้างล่างนี่หมดสิทธินะต้องกับปิยะใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้นี่นะครับนี่ให้รู้ว่าตรงไหนต้องกระปิยะใหม่ไม่ต้องกระปิยะใหม่นะ